อยากจะทําไอ้นั่นให้เธอทําอันที่เธอชอบใจอยากจะมีไอ้นั่นในเธอมีอันที่มันใีญ่หญ่อยากจะรอไอ้ น, นั่นเธอดูอยากรู้ว่าเป็นยังไงอยากเป็นไอ้นั่นของเธอเป็นอันที่เธอรักอยากเอาไอ้นั่นให้เธอให้อยู่กับเธอตลอดไป น, น, ออนัอยากเป็นไอ้นั่นของเธอเป็นอันที่เธอรักอยากเอาไอ้นั่นให้เธออ ย, อยู่กับเธอตลอดไป เป็นไอ้นั่นของเธอเป็นอันที่เธอรักอยากเอาไอ้นั่นให้เธอให้อยู่กับเธอตลอดไป ปนนัเ้อยากเป็นไอ้นั่นของเธอเป็นไอ้นั่นที่เธอรักอยากเอาไอ้นั่นให้เธอให้อยู่กับเธอตลอดไปอยากเป็นไอ้นั่นของเธอเป็นไอ้นั่นที่เธอรัก เป็นคนรักของเธอเป็นคนที่เธอรักอยากเอาควบมรัก